เป็นมงคลอย่างยิ่งตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ในมงคลละสรว่ากาเลนะธรรมะสวนังเอตัมังกาลามุตตมังการฟังธรรมตามเวลาอันสมควรเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อจิตใจคือเป็นความสุข เป็นความเจริญให้แก่จิตใจนั่นเองการฟังธรรมตามเวลาอันสมควรสำหรับที่นี่ก็จะมีการแสดงธรรมทุกวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์และวันหยุดชดเชยต่างๆเวลาบ่ายสองโมงถึงประมาณบ่ายสามโมง จะเป็นช่วงเวลาที่สมควรต่อการฟังเทศฟังธรรมท่านที่สนใจอยากจะศึกษาอยากจะได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าก็สามารถมาได้ตามเวลาดังกล่าวการฟังธรรมที่จะทําให้เกิดเป็นมงคลขึ้นมานั้น ควรจะฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบคือร่างกายก็ต้องนั่งอยู่เฉยๆไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีการทำอะไรวาจาก็ต้องไม่พูดไม่คุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องต่างๆให้ตั้งใจอยู่กับการฟังเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสกับหู ถ้าฟังอย่างต่อเนื่องถ้าไม่เข้าใจก็จะได้ความสงบคือได้สมาธิถ้าฟังแล้วเกิดความเข้าใจสามารถพิจารณาตามได้ก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมาใจเวลาฟัง จึงควรตั้งใจฟังที่เสียงธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ควรที่จะใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือสวดมนต์ไภายในใจหรือเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเพราะถ้าทำสิ่งเหล่า น, นี้พร้อมๆกับการฟังธรรมมันก็จะทำให้มาชนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมเราไม่ต้องใช้คำบริกรรม ไม่ต้องใช้การสวดมนต์ไม่ต้องใช้การดูลมหายใจเข้าออกแต่ให้ใช้ลมให้ใช้เสียงธรรมที่เรากาลังได้ยินได้ฟังอยู่ในตอนนี้เป็นอารมณ์แทนถ้าใจเราเกาะจิตอยู่กับเสียงถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะได้สมาธิถ้าเราเข้าใจด้วยเราก็จะได้ปัญญาเพิ่มขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เป็นสองชั้นด้วยกันนี่แหละคืออนิสงส์หรือผลประโยชน์ที่จะได้จากการฟังเทศฟังธรรมมีอยู่ห้าประการด้วยกันซึ่งอาจจะได้บางบางส่วนหรืออาจจะได้ทั้งหมดเลยก็ได้ข้อหนึ่งก็คือจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เรา เคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ำอีกก็เกิดจะก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาขึ้นมาข้อสจะช่วยกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆในทำให้หมดสิ้นไปได้ข้อสจะทำให้มีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาความเห็นที่ถูกต้อง และข้อห้าจะทำให้จิตสงบผ่องใสบางท่านเวลาฝึกสมาธิใหม่ๆจะรู้สึกยากเวลาที่จะต้องดูลมหายใจหรือเวลาที่ต้องบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเนื่องจากใจยังมีสติไม่มากพอไม่สามารถควบคุม บ, บังคับใจให้อยู่กับคำบริกรรมพุทธโธพุทธโธไป ได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เลยใช้การฟังเทศฟังธรรมแทนเพราะการฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่ต้องไม่ต้องบังคับให้ใจบริกรรมพุทโธไม่ต้องบังคับให้ใจดูลมหายใจเข้าออกให้ใช้การฟังเสียงธรรม ซึ่งเป็นปกตินิสัยของคนทั่วไปอยู่แล้วคือเรามักจะฟังเสียงอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาให้ฟังเสียงมันก็จะไม่ไม่ยากเท่ากับการที่เราจะต้องใช้คำบริกรรมพุโทโธพุโทโธหรือการดูลมหายใจเข้าออกถ้าฟังธรรมก็สามารถฟังได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบซึ่ง ที่นี่เราก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึง่งก็ทำให้สามารถนั่งเฉยๆได้อยู่ถึงชั่วโมงหนึง่งจากการฟังเทศน์ฟังธรรมแต่ถ้าลองให้นั่งสมาธิโดยที่ไม่ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมบางทีนั่งได้แค่สิบนาทีก็จะอยากจะลุกขึ้นมาแล้วเพราะสติหมดกาลังการจะใช้สติให้กับอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธ อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี้มันต้องใช้สติที่มากกว่าการใช้สติอยู่กับการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองอย่างนั้นผู้ที่ปฏิบัติสมาธิใหม่ๆจึงมักจะชอบฟังเทศฟังธรรมไปพังๆก่อนหลังจากที่ฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วใจมีความสงบมีความเย็นสบายมีสติ ก็สามารถที่จะนั่งต่อได้อีกด้วยหลังจากฟังเทศเสร็จก็ดูลมหายใจต่อไปได้เลยหรือบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้เลยการนั่งสมาธินี้ก็สามารถใช้การดูลมหายใจเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือใช้การบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวก็ได้ หรือสำหรับบางท่านถ้าอยากจะใช้ทั้งสองอย่างด้วยกันก็ได้เช่นหายใจเข้าก็ว่าพุทธหายใจออกก็ว่าโทการกระทําเหล่านี้ไม่เป็นเรื่อง ต, ตายตัวสามารถปรับให้เท่ากับความถนัดของผู้ปฏิบัติได้บางท่านชอบบริกรรมพุทธโทเพียงอย่างเดียวก็บริกรรมพุทธโทไปเพียงอย่างเดียวก็ได้ บางท่านชอบดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวไม่ต้องการบริกรรมพุทโธด้วยก็ดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวก็ได้<ม>ก็สำคัญก็คือขอให้มีความต่อเนื่องในการกระทำอย่าเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าเราไปคิดแล้ว<ม>ใจก็จะหลงทางแทนที่จะเข้าสู่ความสงบ ใจก็จะไปสู่ความฟุ้งซ่านต่อไปได้การฝึกสตินั่งสมาธินี้ก็เพื่อทําใจให้นิ่งให้สงบให้หยุดคิดเพราะความคิดนีด่แหะที่เป็นตัวที่มาสร้างปัญหาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขเวลาคิดไปในเรื่องที่ทําให้เศร้าก็จะเกิดความเศร้าขึ้นมา เวลาไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้หวาดกลัวก็จะทำให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเวลาไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ทุกข์ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติสามารถยับยั้งความคิดต่างๆได้อยู่เรื่อยๆความคิดที่จะมาผลิตความทุกข์ต่างๆให้กับใจก็จะไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ใจก็จะมีความสุข เพียงแต่ไม่คิดแท่นั้นหละความสุขก็มาแล้วเราไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนความสุขที่เลิศที่ประเสรศิฐที่เหนือกว่าความสุขทั้งพวงอยู่ที่การหยุดคิดนี่<ม>ถ้าเราหยุดคิดได้แล้วใจเราจะเย็นใจเราจะสบายใจเราจะปล่อยวางได้<ม>ได้ยินอะไรก็สักแต่ได้ยินเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นมไม่มีความคิดรุงแต่ง ไม่มีความรักชังกลัวหลงปรากฏขึ้นมาในใจในขณะที่เราสามารถควบคุมความคิดต่างๆไว้ได้นี่แหละเป็นความสุขที่พู้เจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนาฏิสันติปลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีอย่าไปหาความสุขต่างๆจากสิ จากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเพราะมันเป็นความสุขที่คุกเข้าไปกับความทุกข์มันมามากับความทุกข์ด้วยเป็นเหมือนกับายาขมเคลือบน้ำตาลาเวลาอมยาใหม่ๆก็รู้สึกหวานดีแต่พอน้ำตาลละลายไปหมดก็จะเจอรสของความขมของยาขึ้นมาทันที ฉันใดความสุขที่เราได้จากโลกธรรมคือจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้พะชนิดต่างๆก็เป็นความสุขที่เคลือบความทุกข์ไว้นั่นเองพอความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสผุดถ้พะจางไปความทุกข์ใจก็จะโผล่ขึ้นมาเวลาที่ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส จางไปนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความเสื่อมของลาบยศเสริญของรูปเสียงกลิ่นลดนั่นเองลาบยศเสรสญสุขนี้เป็นของไม่เที่ยงมีทั้งมีการเจริญแล้วก็มีการเสรื่อมไปเป็นธรรมดาจะให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวจะให้มันไม่เสื่อมนี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นอนัตตามันเป็นพลา ปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่มีใครสามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเจริญเพียงอย่างเดียวไม่ให้มันเสื่อมได้ออพอเวลาที่ต้องมาเจอกับความเสื่อมของลาบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิออ่นรสโผฏฐะเวลานั้นก็จะเกิดความเศร้าใจทุกข์ใจตามมาเออพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหา ความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่มีเจริญแล้วก็ต้องมีการเสริมไปนั่นเองพอร่างกายแก่เจ็บหรือตายเวลานั้นร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการมาเสีได้นั่นเอง เวลานั้นก็จะเป็นเวลาที่เต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความเศร้าเต็มไปด้วยความเหงาเพราะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการไปหาความสุขจากาลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้แต่สำหรับผู้ที่ได้มาได้ยินได้ฟังธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและได้เรียนรู้ว่า มีวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปสีกลิ่นรสโผฏภาะชนิดต่างๆเป็นเครื่องมือนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบที่ต้องใช้สติเป็นหลักเท่านั้นเองและสติก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราตลอดเวลา ถ้าเรารู้จักผลิตสติขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาเราก็จะสามารถมีสติอยู่กับเราได้ตลอดสตินี้จะไม่จากไม่ไม่เสื่อมจากเราไปถ้าเรารู้จักรักษามันรู้จักผลิตมันมันก็จะอยู่กับเราแล้วก็จะเป็นเครื่องมือในการคอยทำใจของเราให้สงบให้มีความสุขจากความสงบ ไม่ว่าร่างกายจะเป็นอะไรก็ตามร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายสติไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจที่ใช้สติก็ไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ก็ตามจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ตามจะตายหรือไม่ตายก็ตาม ใจนี้สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ถ้ารู้จักวิธีเจริญสติรู้จักวิธีรักษาสติให้อยู่กับใจไปเรื่อยๆสติก็จะคอยควบคุมใจให้นิ่งให้สงบให้ผลิตแต่ความสุขให้กับใจไปเพียงอย่างเดียวอันนี้แหละเป็นความสุขแท้เป็นความสุขที่จะไม่มีความทุกข์ตามมา แต่เป็นความสุขที่ค่อนข้างจะยากหน่อยในการที่จะสร้างมันขึ้นมาเพราะว่าใจของสัตว์โลกส่วนใหญ่ไม่เคยกับการเจริญสติไม่เคยกับการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบเคยอยู่กับการใช้ความคิดหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆจนทำให้เวลาที่จะมาหยุดคิดนี่ จึงกลายเป็นเรื่องที่ยากขึ้นมาแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากเกินวิสัยของมนุษย์เราที่จะสามารถทำได้ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงได้ค้นพบความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิ ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเราก็จะมีความขยันหมั่นเพียรที่จะคอยจเจริญสติอยู่บ่อยๆถึงแม้ว่าจะยากจะลำบากก็จะไม่ท้อแท้ท่านตนก็ต้องยอมรับ ว, ว่าเวลาที่เราทำอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็ต้องเป็นของยากเพราะว่าต้องใช้เวลาฝึกฝนบอบรม เช่นเวลาที่เราจะหัดพิมพ์ดีดเนี่ยก็รู้สึกว่ายากเพราะเราไม่เคยพิมพ์ดีดมาก่อนแต่ถ้าเราค่อยๆเรียนรู้วิธีพิมพ์ดีดทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดความชำนาญขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นของง่ายไปหรือเวลาที่เราเรียนอะไรที่เราทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเช่นอยากจะขี่จั ก, กรยานก็ต้องหัดขี่ดู ใหม่ๆก็ขี่ก็รู้สึกว่ายากลำบากขี่แล้วเดี๋ยวก็ล้มอพอไม่รู้จักวิธีประคองตัวแต่พอฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดความชํานาญขึ้นมาแม้แต่การขับรถยนต์ก็เช่นเดียวกันไม่มีใครเกิดมาแล้วขับรถยนต์เป็นกันแต่ถ้ามีความตั้งใจที่อยากจะขับรถมีความเพียรพยายามที่จะฝึกผล ฝึกขัดในการขับรถอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวไม่นานก็สามารถขับได้อย่างชำนาญอยู่ที่ความเพียรพยายามในการฝึกฝนอบรมตัวเองให้ทำในสิ่งที่ต้องการจะทำเช่นให้เรามีความเพียรในการฝึกสติเจริญสติตามที่พุะเจ้าทรงสอนให้เราฝึกกัน วิธีที่เราฝึกสติที่จะได้ผลดีเราก็ควรที่จะฝึกในวันที่เราไม่มีภารกิจการงานต่างๆเช่นวันหยุดทำงาน<ม>แล้วก็ให้เราไปปลีกวิเวกไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นลดต่างๆมาคอยยั่วยวนกวนใจ ให้เราไปอยู่ที่อย่างนั้นแล้วก็เราจะได้เจริญสติได้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงหลับเพราะว่าถ้าเราไม่หมั่นเจริญสติเราก็จะเผลอพอเผลอใจก็จะไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็จะเกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความอยากเกิดความโลภต่างๆขึ้นมาทำให้ใจไม่มีความสุขจากการอยู่คนเดียว อยู่ในสถานที่สงบได้แต่ถ้าเรามีความเพียรพยายามที่เจริญสติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยการเจริญสตินี้ก็คือการควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเป็นเครื่องผูกใจไว้อารมณ์ที่เราใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจนี่เราเรียกว่ากรรมฐาน กรรมฐานนี้มีหลายอารมณ์หลายแบบด้วยกันเช่นในตำราท่านแสดงไว้ถึงสี่สิบชนิดด้วยกันกรรมฐานสี่สิบแบ่งเป็นหมวดเช่นหมวดอนุสติก็มีอยู่สิบหมวดหมวดประสินก็มีอยู่สิบแล้วก็มีหมวดสรางศพมังก็มีอยู่สิบ แล้วก็มีอย่างอื่นเข้ามาอีกถึ่งเหล่านี้ที่กําหนดไว้นี้สามารถเอามาเป็นอารมณ์ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้ในหมวดของอนุสติกันเช mm hmm. ่นพุทธานุสติละะก็ให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้า mm hmm. จะละลึกแบบพิสดารก็ได้จะละลึกแบบย่อก็ได้ ถ้าเราเลิกแบบพิศดารก็ให้เราเลิกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจ้าเช่นการสวดบทอิติปิโสอิติปิโสภักวาอรหังสัมมาสัมพุทโธถ้าเราสวดบทนี้ไปเรื่อยๆใจเราก็จะมีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ลอยไปลอยมาไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ารู้สึกว่ามันยาวไปมันยาก ยาวมันสั้นๆก็ให้ละลึลกชื่อของพระพุทธเจ้าแทนก็ได้ด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปภายในใจแต่ถ้ารู้สึกว่าพุทธโธพุทธโธมันสั้นไปอาจจะเลิกถึงพ ร, พระธรรมพระสงฆ์ควบคู่ไปด้วยก็ได้ก็พุทธโทธธรโมสังโฆไปหรือบางทีก็อยากให้มันยาวหน่อยก็พุทธังสันนังกชามิธรรมสันนั ง, นงกชามิ สังขังสารนังกระชามิในเบื้องต้นของการฝึกสตินี้เราสามารถที่จ ะ, ะสลับผัดเปลี่ยนบทสวดต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อให้ใจเราไม่เบื่ อ, อเราก็พอเบื่อพุโทโธเราก็มาทำโมสังโฆหรอมาสวดอิติปิโสเหล่านี้เรียกว่าเป็นการเ จ, จเริญอนุสติใช้อนุสติกรรมฐานเป็นอารมณ์ ใช้พุทธานุสตินุทธรรมานุสติสามทานุสติอันนี้เราสามารถใช้ได้ในในขณะที่เรามีการเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆพอเราลืมตาขึ้นมาปั๊บตื่นขึ้นมาปั๊บเราจะราลึกถึงพุทธโธพุทธโธไปเลยก็ได้ก่อนที่เราจะมีการเคลื่อนไหวพอจะลุกจากเตียงพอจะเดินเข้าห้องน้ำไปทําทุระอะไรก็พุทธโธพุทธโธไปภายใน ภายในใจไปไม่ต้องออกเสียงคอยดึงใจไว้ผูกใจไว้อยู่กับกรรมฐานเพื่อไม่ให้ใจลอยไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะความคิดส่วนใหญ่มันไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจเรายังคิดไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์คือทางปัญญาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปคิดกันเรามาหยุดคิดกันให้ได้ก่อน ถ้าเราหยุดคิดได้แล้วต่อไปเราก็สามารถสั่งให้ใจไปคิดทางปัญญาได้ไปคิดเพื่อให้เราหยุดความอยากต่างๆหยุดความยึดติดต่างๆเพราะความอยากความยึดติดนี้เป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานั่นเองแต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่มีสติที่จะหยุดความคิดได้เราจะไม่สามารถที่จะบังคับใจให้ไปคิด ในเรื่องที่จะทำให้ใจปล่อยวางหยุดคิดหยุดอยากได้ดังนั้นเบื้องต้นต้องใช้การฝึกด้วยสติวยก่อนบริกรรมพุโทโธไปหรือว่าถ้าเราไม่ชอบคำบริกรรมเราก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อันนี้เรียกว่ากายกตาสติการมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกาย พอลืมตาขึ้นมาก็ดู ว, ว, ว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในอยู่ในท่าไหนออกกาลังอยู่ในท่านอนก็รู้ว่าอยู่ในท่านอนพอจะลุกขึ้นมานั่งก็รู้ว่ากํลาลังนั่งพอจะลุกขึ้นมายืนก็รู้ว่ากําลังยืนพอกําลังจะเดินไปไหนมาไหนก็ให้รู้ว่ากําลังไปไหนมาไหนกําลังเดินไปไหนมาไหนกําลังทําอะไรก็ให้รู้อยู่กับการ er กระทํางเห็นท่าลาวัอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟั น, น เราก็ให้อยู่กับการอาบน้ำขารอาบน้ำก็อยู่กับการอาบน้ำร้างหน้าก็อยู่กับการน้างหน้าแปลงฟันก็อยู่กับการแปลงฟันอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ผ่านมาก็ตามหรืออนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็ตามตอนนี้เราต้องการห้ามความคิดทั้งหลายต้องการให้ใจปราศ จ, จากความคิด นี่คือการเจริญสติในระหว่างวันในระหว่างที่เรายังไม่ได้มานั่งสมาธิไม่ว่าเราจะทำอะไรให้เรามีสติตลอดเวลาแต่งเนื้อแต่งตัวก็มีสติขณะรับประท า, านอาหารก็มีสติถ้าเป็นสถานที่ปฏิบัติแล้วถึงแม้ว่าจะร่วมรับประทานอาหารกับคนหลายคนแต่เราจะไม่ไม่ไปสนไม่ไปสนทนากันไม่ไปคุยกัน พราะการคุยกันนี้เป็นการใช้ความคิดนั่นเอง <S <S เป็นการเผลอสติแล้วไม่ได้ไม่ได้เจริญสติแล้วสำนักปฏิบัติเขาเน้มักจะเน้นเรื่องของการไม่มีการพูดคุยกันเวลาที่มาทํากิจร่วมกันให้ต่างฝ่ายให้ต่างฝ่ายมีแต่สติคอยควบคุมความคิดของตนอยู่ตลอดเวลาจะใช้คํำวิกรรมพุโทโธก็ได้ถ้าไม่ถ้าร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวถ้าร่างกายนั่งเฉย าเปลี่ยนมาดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ลมหายใจเข้าออกการดูลมหายใจเข้าออกก็เรียกว่าอาณาปนานสติอาณาปนานสติคือลมหายใจเข้าออกนี้ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งไว้สําหรับยึดเหนี่ยวจิตใจได้ <S 2> <S 2> ถ้าร่างกายมีการเคลื่อนไหวก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายการเคลื่อนไหวของร่างกายก็เป็นกรรมฐาน <S <S เป็นกายอ่ะ เป็นกายะกะตาอนุสติอคอยควบคุมคอยผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนี่คืออุบายวิธีในการเจริญสติเพื่อที่จะยับยั้งความคิดปรุงแต่งต่างๆถ้าเราสามารถปฏิบัติอุบายเหล่านี้ได้เราสามารถเลือกได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันทุกคนถ้าเราใช้พุโทโธได้ก็ใช้พุโทโธไป ใช้ร่างกายได้ก็ใช้ร่างกายไปในขณะที่มีการเคลื่อนไหวมีกา ร, การทำอะไรตา่างขณะที่นั่งเราก็เปลี่ยนมันดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเวลาหายใจเข้าก็ให้รู้อยู่ว่ากําลังหายใจเข้าเวลาหายใจออกก็ให้รู้ว่ากําลังหายใจออกอย่าปล่อยให้ใจอย่าไปอย่าไปบังคับลมอย่าไปบังคับให้ลมหายใจลึกๆหายใจยาวๆ อันนี้ไม่ใช่วิธีของการใช้อานาปานสติเป็นอารมณ์เราต้องการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องผูกใจเท่านั้นเองให้ใจรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกท่านั้นพอไม่ต้องไปบังคับให้ลมตั้นลมยาวลมหยาบลมละเอียดเพราะการไปบังคับนี้เป็นการทำงานของใจของจิตการนั่งสมาธิเพื่อหยุดการทำงานของจิต เราไม่ต้องการให้จิตทำอะไรนอกจากให้รู้เฉยๆเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมลมจะหายใจลึกหายใจสั้นก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของเขาลมจะหยาบหรือลมจะละเอียดก็รู้ให้รู้ตามความเป็นจริงของเขาแม้กระทั่งรู้สึกว่าลมหายไปก็ไม่ต้องไปตื่นตกใจให้รู้อยู่ที่จุดเดิม รู้อยู่ที่ปลายจมูกว่าตอนนี้ไม่สามารถรับรู้ลมหายใจเข้าออกได้เพราะตอนนั้นอจิตกําลังจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิจิตละเอียดลมก็เลยละเอียดตามอตอนนั้นถ้าเราไม่ไปตื่นเต้นตกใจไม่ไปปรุงแต่งดูดูต่อไปเหมือนกับตอนที่มีลมให้ดูเดี๋ยวจิตก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยลมได้ แล้วเข้าสู่ความสงบต่อไปได้เวลาเข้าสงบสู่ความสงบก็จะรู้สึกเหมือนกับตกลงมาจากที่สูงลงมาแล้วสู ก, กูนิ่งเย็นสบายแต่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เผลอไม่หลับมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาหรือว่าตอนนี้จิตที่เคยต้องคอยควบคุม บ, บังคับตอนนี้ไม่ต้องบังคับแล้วจิตไม่ไปไหนแล้วจิตนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งไม่ ไม่มีอะไรมีแต่ความเย็นความสบายความสุขที่เกิดจากความสงบมีอุเบกขาคือใจไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถึงแม้ว่าบางทียังจะได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ใจไม่สนใจได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าได้ยินร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็สักแต่รู้ไปแต่ไม่รู้สึกเจ็บปวดไปกับการเจ็บปวดของร่างกาย อันนี้คือผลที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เราฝึกสตินั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงมันจะทําให้เรามีความติดอกติดใจในความสุขแบบนี้และมันจะทําให้เรานี้เปลี่ยนวิธีหาความสุขเมื่อก่อนเราเคยหาความสุขจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยการไปหาเงินหาทอง หายอดหาตำแหน่งแล้วก็เอาเงินเอทองไปซื้อความสุขในรูปแบบต่างๆซื้อรูปเสียงกิ่นรสฉลชพชนิดต่างๆมอเสนแต่พอเราได้มาสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี่เราจะเปลี่ยนวิธีหาความสุขทันทีเพราะเหมือนกับเราได้พบกับเพชรนินจินดาเมื่อก่อนนี้เราเจอแต่ก้อนหินก้อนกลวด เราก็คิดว่าก้อนหินก้อ <c oughs> นกรวดนี้มีคุณค่าราคาแต่พอเราไปได้เพชรนินจินดา ข, ขึ้นมานี่เราจะรู้เลยว่าคุณค่าของเพชรนินจินดานี้มันมากกว่าคุณค่าของก้อนหินก้อนกวดก้อนทรายเราก็จะเลิกหาก้อนหินก้อนกวดก้อนทรายแล้วเราก็จะมาหาเพชรนินจินดาเพื่อเพื่อที่เราจะได้ ใช้คุณค่าของเพชรดินจินดาให้ความสุขกับเรานั่นเองหรือถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเราใช้รถคันเก่าอยู่ ร, รถคันเก่าที่ค่อนข้างที่จะสบลักสับอมค่อนข้างที่จะมีปัญหาไม่แน่ใจไม่แน่นอนว่าทุกครั้งชะตารถมันจะติดหรือไม่หรือวิ่งไปกลางทางมันจะดับหรือไม่พอเราได้ได้รถใหม่มาเนี่เราจะไม่ขับรถเก่าอีกต่อไป เรถเก่านี้มันเป็นรถที่สะดวกสบายมีความมั่นคงมีความแน่นอนต้องการจะใช้รถเวลาใดไปที่ไหนเมื่อไหร่ก็สามารถสตาร์ทรถขึ้นรถไปได้เลยไม่เหมือนกับรถเก่าที่บางทีก่อนจะ ส, สตาร์ทรถติดก็า จ, จะต้องเรียกช่างมาช่วยนี่ก็คือความสุขแบบเดิมกับความสุขแบบใหม่ที่ได้จากการจเจริญสตินั่งสมาธิ ถ้าลองเราได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เป็นแค่ชั่วฟ้าแลบหรืองูแลบลิ้นคือเดี๋ยวเดียวความสงบของนักปฏิบัติใหม่ๆนี้จะสงบได้แค่ชั่วฟ้าแลบหรืองูแลบลิ้นเพราะกําลังของสตินี้ยังมีไม่มากพอที่จะทําให้สงบได้นานอย่งแต่ว่ามีกําลังพอที่จะผลักจิตให้เข้าสู่สู่ความสงบได้ แต่ไม่สามารถที่จะรักษาให้มันอยู่ไปได้นานแต่เพียงแต่ความสงบแบบชั่วครู่นี้ชั่วขณะหนึ่งนี้ที่เรียกว่าคันนิกะสมาธินี้มันจะทำให้จิตใจมีความรู้สึกมหัศจรรย์ใจกับความสุขอันที่ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนจะทำให้เกิดมีความยินดีกัดฉันทะวิริยะจิตตวิเบกอุบวิมังสา คือจะเกิดมีอิทธิบาทสีขึ้นมาอิทธิบาทสีนี้คือทมที่จะโดนบันดาลให้ผู้ที่ต้องการจะได้อะไรสามารถได้ตามสิ่งที่ตนเองต้องการอยากจะได้มรรคผลนิพพานอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องมีอิทธิบาทสีอยากจะได้สมาธิก็ต้องมีอิทธิบาท ส, อาสาอีอิทธิบาสทบาสีข้อแรกก็คือฉันท่าแล้วความยินดี ความชอบเมื่อก่อนไม่ชอบฝึกสติไม่ชอบนั่งสมาธิเพราะยังไม่เคยสัมผัสกับผลของมันมาก่อนแต่พอเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธในคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราพยายามฝึกสติด้วยการไปปีกวิเวก บ, บ่อยๆวันหยุดทํางานแทนที่เราจะเอาเวลาไปเที่ยวไปชอปปิง้งไปดูไปฟังมหาสศ บ, บันเทิงต่างๆ เราก็เปลี่ยนไปอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมไปถือศีลแปลดและเว้นจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อจะได้เ จ, จเริญสติได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้นั่งสมาธิให้บ่อยให้มากแล้ววันใดวันหนึ่งก็จะเกิดผลขึ้นมาพอาเกิดคณิกะขึ้นมาได้สัมผัสกับความสงบแม้แต่เป็นแค่เพียงเชื่องูแลบเิ้นก็ตาม ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันประทับใจจนทำให้เกิดอิทธิบาสสี่ขึ้นมาคือเกิดฉันทะความยินดีความยินดีที่จะไปไกวิเวกบ่อยๆที่จะจะไปเจริญสตินั่งสมาธิบ่อยๆขึ้นแล้วเมื่ อ, เ ม, อเมื่อได้มีฉันทะวิิยาแล้วความเพียรก็จะตามมาข้อที่สองของอิทธิบาสสีก็คือความพยันเหมือนเพียรเมื่อก่อนนี้เกียรติคันต้องคอยบังคับ คอยบังคับให้ไ ป, ไ ป, ไ, ปไปปฏิบัตินะไปปีกไม่เวกันนะต้องคอยดึงคอยบังคับแต่พอได้สัมผัสกับความสงบเพียงครั้งเดียวแล้วทีนี้ไม่ต้องบังคับแล้วจิตมันจะเรียกร้องเองเมื่อไร่จะไป ท, ทันทีเมื่อไรจะไปปฏิบัติทำ ท, ทันทีคอยจ้องดูเวลาว่าช่วงไหนมีวันหยุดบ้างก็จะเอาเวลาของวันหยุดวันว่างนี้ไปให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ มีฉันทะแล้วก็จะมีวิริยะตามมาความเพียรยมาเมื่อก่อนเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาต้องคอยพยายามผลักคอยพยายามดันความเพียรใให้ไปปฏิบัติแต่พอได้ผลแล้วทีนี้เหมือนกับกิ่งกิ่งครกลงเขาไม่ไม่ต้องไปบังคับนะมันไหลของมันไปเองมันอยากจะไปปฏิบัติเองมันไม่ต้องการจะหาความสุขแบบเดิมนะความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสจากลาบยศสรเสะนี้ มันเปรียบกับความสุขที่ได้จากความสงบไม่ได้ก็จะเกิดวิริยะแล้วก็จะเกิดขันทาวิริยะจิตตะจิตตะแปลว่าการจดจอ่อใจจะจดจ่ออยู่กับการทำสมาธิการทำความสงบเท้านั้นไม่สนใจกับการที่จะไปเที่ยวไปชอปปิ้งที่นั่นที่นี่เพื่อนฝูงมชวนไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ก็ไม่อยากจะไปยอยากจะไปปฏิบัติธรรมมากกว่า ถ้าใครมาชวนไปปฏิบัตินี่จะรีบรับทันทีเลยแต่ถ้าใครมาชวนไปเที่ยวไปหาความสุขจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสต่างๆนี้ต้องขอปฏิเสธไปจะมีจิตใจจะจดจ่ออยู่การหาความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็วิมังสาก็คือความคิดค่ายขวนก็จะคิดค่ายขวนอยู่กับการไปปฏิบัตินี่ คิดไข้กลอยู่ตลอดเวลาว่าเรากำลังจเจริญสติอยู่หรือเปล่าถึงแม้เราไม่ได้ไปสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ตามแต่ถ้าเราได้สัมผัสกับความสงบที่เกิดจากการจเจริญสติแล้วนี่ถึงแม้เวลาเรายังต้องทำงานอยู่หรือต้องทำอะไรอยู่เราก็จะฝึกสติไปเรื่อยๆไม่รอให้ไปถึงวันที่จะไปเบิกวิเวไปปฏิบัติธรรมถึงค่อยเจริญสติกัน การจเจริญสติมันก็จะเริ่มเป็นนิสัยขึ้นมาวันทำงานก็จะเจริญสติในช่วงเช้าก่อนได้ก่อนจะไปทำงานพอเราลุกขึ้นมาล้วก็พุโทโธพุโทโธหรือดูการขึ้นไหวของร่างกายไปในระหว่างที่เราเตรียมตัวไปทำงานอาบน้าอาบทาแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งขนาดที่เดินทางไปทำงานถ้าเราไม่ต้องพูด ไม่ต้องคุยอะไรกับใครได้เราก็จะมีสติอยู่การเคลื่อนไหวกับการกระทาไปเรื่อยๆพอไปทำงานเราถึงค่อยใช้ความคิดแต่จะคิดเฉพาะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานเราจะไม่ปล่อยให้ใจคิดเพอ้อเจอ้าคิดเพอ้อฝันไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้<ๆ>เรารู้แล้วว่าเป้าหมายของเราคือการคอยควบคุมความคิดให้คิดให้น้อยที่สุดคิดเท่าที่จําเป็น พอเวลาที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับการทำงานก็คอยใช้สติคอยควบคุมความคิดต่อไปเรื่อยๆถ้าเราสามารถทำอย่างนี้ได้ทุกวันเนเวลาถึงเวลาที่เราจะไปปีกวิเวกมันก็จะไม่ยากเราไม่ต้องไปค้นหาสติเพราะเรารักษาสติที่เราได้จากการไปปีกวิเวกคราวที่แล้วนี้ให้มันอยู่ต่อเนื่องไปมันอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างแต่มันก็จะไม่หดไม่หายไปเลย ทีเดียวพอถึงเวลาที่เราไปปีกเวกต่อเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องใช้เวลาเสียเวลากับการเรียกสติขึ้นมาว่าเรามีสติอยู่ตลอดเวลามีบ้างมีมากบ้างน้อยบ้างแต่ดีก็ไม่มีเลยพอมาอยู่ไปปีกเวกต่อเราก็จเจริญสติต่อสติเราก็จะมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นแล้วพอเวลานั่งสมาธิพอใจสงบ ใจก็จะสงบได้นานขึ้ น, นเวลาสงบชั่วคราวเราเรียกว่าชั่วขณะเราเรียกว่าคณิกะสมาธิถ้าเวลาสงบนานขึ้นไปตั้งแต่หนึ่งนาทีสองนาทีขึ้นไปนี้ก็เรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิได้สมาธินี้มีสองสองสองแบบคณิกะกับอัปปนาสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิที่เป็นสมาธิที่จะ ที่จะช่วยกำจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้ต้องเป็นคณิกาหรือสมัมปะนาสมาธิเพราะว่าคณิกาหรืออปนาสมาธินี้จะมีอุเบกขาเกิดขึ้นในใจจะทำให้ใจวางเฉยได้เวลาที่ไปเจริญปัญญาเพื่อที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆก็จะสามารถใช้อุเบกานี้สนับสนุนปัญญา ในการที่จะคอยกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากตัณหาความอยากต่างๆได้นี่ก็เป็นสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่มีสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่เป็นสมาธิที่ไม่สนับสนุนการเจริญปัญญาเพราะไม่มีอุเบกขาในสมาธิแบบนี้อุปจารสมาธิก็เป็นสมาธิที่ทาให้ผู้ได สมาธินี้มีอภิญญามีความสามารถพิเศษสามารถไปท่องในโลกทิพย์ได้สามารถไปพบกับกายทิพย์ต่างๆได้พบกับเทวดาพบกับเปรตพบกับผีได้และสามารถมีความระลึกชาติได้แล้วแต่ละคนความสามารถเหล่านี้อาจจะต่างกันไปบ้างบางคนก็ระลึกชาติได้บางคนก็สามารถติดต่อกับกายทิพย์ได้ เช่นพระพุทธเจ้านี้ก็มีสมาธิแบบนี้แต่ตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์เพื่อกําจัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจตอนนั้นท่านไม่ท่านไม่ใช้สมาธิแบบนี้เพราะท่านรู้ว่าเป็นสมาธิที่ไม่มีกําลังในการที่จะเอามาช่วยปัญญาในการระงับดับความทุกข์ต่างๆท่านก็จะอยู่ในอัปปนาสมาธิเป็นส่วนใหญ่ แต่หลังจากที่ได้ทรงตัดสรตวแล้วได้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วท่านก็สามารถใช้สมาธิแบบนี้มาสอนเอามาใช้สอนคนได้เช่นระลึกชาติได้ระลึกถึงชาติต่างๆที่เคยผ่านมาในอดีตที่เป็นบันทึกอยู่ในนิทานชาดกนี้ก็เป็นการระลึกชาติของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสิบชาตินี่ ก็แล้วนึกถึงสิบชาติที่พระ อ, องค์ทรงใช้ในการบารมีสิประการด้วยกันเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้ท่านได้ตัดสู้ด้วยพระ อ, องค์เองได้หรือเวลาที่ท่านจะโปรดแสดงธรรมให้กับเทวดาท่านก็ต้องใช้สมาธิแบบนี้เช่นบางที่ท่านนึกถึงพระคุณของแม่ที่ให้กำเนิดมาถึงแม้ว่าจะอยู่ได้เพียงเจ็ดวัน หลังจากที่ขอเจ้าชายสิทธัตถ์ออกมาแล้วพระราชมันดาก็ถึงแก่เสียชีวิตไปแต่บุญคุณของพระมันดา น, นี้เจ้าชายสิท ธ, ธัตก็รำลึกถึงอยู่ตลอดเวลาพอได้เป็นพระพุทธเจ้ามีอภิญญาสามารถติดต่อกับกายกายทิ่กับติดต่อกับพวกเทวดาได้ก็ทรงทรงใช้สมาธิแบบนี้ไปนค้นหาพระพุทธมันดาว่าอยู่ที่ไหนจนในที่สุดก็พบ แล้วสามารถแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาให้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้พอได้เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่นานก็จะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลําดับต่อไปอันนี้เรียกว่าเป็นสมาธิพิเศษแล้วก็ไม่ได้เกิดกับผู้ที่ปฏิบัติทุกๆคนด้วยอย่างนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่ต้องไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสมาธิแบบนี้ นั่งเราเห็นนู่นเห็นนี่เราเลกชาติได้หรืออะไรทำนองนี้อันนี้เราอย่าไปสนใจ ถ, ถ้าจิตไปทางนั้นเราก็ดึงมันกลับมาให้มหาพุทโธพุทโธพุทโธหรือมหาลมหายใจเข้าออกให้มันนิ่งสงบอยู่ในอัปปนาสมาธิไปเรื่อยๆก็อัปปนาสมาธินี้มีอุเบกขาความนิ่งเฉยวางเฉยจิตที่มีอุเบกขานี้จะไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลง เวลาเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาก็จะสามารถระงับความรักความกลัวได้ทันทนนีการจะปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ต้องต้องใช้สมาธิแบบอปปนาสมาธิสนับสนุนกับการเจริญปัญญาปัญญาก็คือการพิจารณาหาสาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเกิดจากปัญหาความอยากต่างๆเกี่ยวจากความโลภ ความโกรธความหลงนีง่ความหลงก็คือการไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นทุกข์ยังไปเห็นว่าเป็นสุขอยู่ยังเห็นว่าราบยศเสรเสริญยังเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชชนิดต่างๆเป็นความสุขอยู่ก็จะหลงจะอยากพออยากแล้วก็ไปติดเหมือนคนติดยาเสพติดก็ต้องเสพอยู่เรื่อยๆเสพเท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอเสพไปจกนกระทั่งร่างกายตายไปใจไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจก็จะหวนกลับมาเกิดใหม่มามีร่างกายอันใหม่เพื่อมาเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่อไปอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นก็จะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัตนี้ไปเรื่อยๆเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะต้องการที่จะเสพความสุขจากลาบจากลาบยศสรรเสริญ จ, จากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั่นเองแต่พอเข้าสู่ขั้นปัญญาปัญญาก็จะสอนใจให้เห็นว่า ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะทําให้ติดแล้วเวลาที่มันเสือ่อมก็จะทําให้ใจทุกข์ถ้าไม่อยากจะติดไม่อยากจะเสือ่อมไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปเสกมันอย่าไปอยากมันเพราะอยากก็หยุดมันให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งต่างๆนี่คือหน้าที่ของปัญญาสอนให้หยุดอย่าไปเสกอย่าไปติดกับความสุขทางโลก แต่ถ้าจะหยุดได้ไม่ได้นี่อยู่ที่ใจว่ามีอุเบกขาหรือไม่มีอุเบกขามีสมาธิหรือไม่มีสมาธิถ้ามีอัปปนาสมาธิก็จะหยุดได้แต่ถ้ามีอุปจารสมาธิจะหยุดไม่ได้คนที่มีอภิญญานี้บางทีก็ยังมาติดอยู่กับความสุขทางโลกอยู่กลายเป็นการใช้อภิญญาความรู้ความสามารถเป็นเครื่องมือในการหาลาบยศสารเสริญสุขแทน เห็นบางคนก็เป็นมามาเป็นหมอดูตําน่ายไทยทักษ์เพื่อที่จะได้มีรายได้จากการเป็นหมอดูแล้วก็อะไราได้จากการเป็นหมอดูมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆก็ยังจะทําให้ใจไม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะฉะนั้นเวลาผู้ใดก็ตามท่านั่งสมาธิแล้วใจไม่นิ่งเฉยสักแต่ว่ารู้กลับไปรู้เรื่องราวต่างๆไปรู้กายที่เจอ เจอพูดผีปีศาจหรือเจอเทวดาหรือเจอใครก็ตางให้รู้ว่าเรากําลังไปในทางที่ไม่ถูกไปในทางที่จะทำให้เราหนงและจะทำให้เราไม่มีกําลังที่จะไปต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ไม่มีกําลังที่จะไปเจริญปัญญาเช่นพิจารณาความตายหรือพิจารณาสุภาได้เพราะว่าใจจะไม่มีกาลังสู้กับกิเลส กิเลสจะชอบของสวยๆงามๆชอบให้ไปดูของสวยๆงามๆไม่ชอบให้ไปดูของที่น่าเกลียด น, น่ากลัวเช่นให้ไปดูซากศพนี้หรือไปดูอาการสามสิบสองของร่างกายถ้าไม่ดูความจริงเหล่านี้ใจก็จะไม่สามารถปล่อยวางร่างกายได้ก็ยังจะไปหลงรักไปชอบร่างกายอยู่แต่ถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ในที่สุดก็ต้องกลายเป็นซากศพไปต้องขึ้นอื่นเน่า เน่าขึ้นอื่นแล้วก็ค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นตายเป็นโครงกระดูกกลายเป็นดินไปหรือถ้ า, าไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าไปในขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้ามีการผ่าร่างกายออกมาดูภายในก็จะเห็นอาการที่ไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกา ย, ยาคนที่ต้องการที่จะละกามาลมร์ละความลักในรูปรูปร่างหน้าตาของคนนี้ต้องดูส่วนที่ไม่สวยไม่งาม แต่ถ้าไม่มีอัปปนาสมาธิมาช่วยสนับสนุนไม่มีอุบเบกขานี้จะดูไม่ได้ดูแลจะเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมาขยะกขยว่งบางคนดูแล้วเป็นลมก็มีบางคนอยากจะไปดูว่าร่างกายภายในมีอะไรบ้างก็ไปไ ป, ไปดูเขาผ่าศพกันตามโรงพยาบาลแต่พอไปดูเข้าแป๊บเดียวนะใจก็สู้ไม่ไหวจะเป็นลมขึ้นมานี่เพราะว่ายัางไม่มีสมาธิ อปนาสมาธิพอไม่มีอุเบกขาพอพอที่จะสู้กับความรู้สึกที่ไม่ดีที่ผลิตจากกิเลสได้ยังไม่สามารถพิจารณาสิ่งที่มันน่ากลัว ท, ที่ที่กิเลสไม่ชอบได้เช่นสุภาพความไม่สวยไม่งามหรือความตายของร่างกายก็พิจารณาไม่ได้เพราะกลัวกลัวว่าคิดถึงความตายแล้วจะตายขึ้นมาทันที แต่ความจริงการพิจารณานี่เป็นการศึกษาเรียนรู้ความจริงของชีวิต <S <S ของร่างกายของเราทุกคนว่า <S <S ไม่ช้าก็เร็วต่อไปร่างกายของเราทุกคนก็จะต้องกลายเป็นซากศพไปจะต้องตายไ ป, ไปแล้วก็ร่างกายของเราความจริงมันก็ไม่ไมใช่ตัวเรา ม, มันไม่มีเราอยู่ในร่างกายมันมีแค่อาการสาสบสองถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ดูไม่พิจารณาเราก็จะไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายเราอยู่ในร่างกาย แต่ความจริงแล้วเราเป็นใจผู้ผพิจารณาร่างกายอันนี้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่มาครอบครองร่างกายในขณะที่มีการปฏิสนธิขึ้นมาในคันในท้องของของแม่เท่านั้นเองแล้วเราก็ค่อยควบคุมบังคับใช้ร่างกายนี้ให้ทํางานตอบสนองตันหาความอยากของเราความอยากที่พาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆที่เรามาเกิดกันเพราะเรายังมีอยากจะหาความสุข จากการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆอยู่มันก็เลยทําให้เราต้องกลับมาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอร่างกายนี้แก่เจ็บตายไปเราก็ไปหาร่างกายใหม่มาเกิดใหม่แล้วก็มาหาความสุขจากรูปเสียงกดลิ่นรสจากลาบยศสารเสริญแล้วก็ใช้ร่างกายนี้ไปจนกว่ามันจะแก่จะเจ็บจะตายเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายมันก็จะสร้างความทุกข์ให้ทรมารให้กับใจไป ทุกครั้งที่มาเกิดก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไปอยู่เลๆผู้ที่ไม่อยากจะมาทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้การจะหยุดความอยากก็ต้องพิจารณาความไม่สวยงามของร่างกายสวยว่าร่างกายนี้มันไม่สวยไม่งามมันมีอาการ32ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนัง ภ, ภายนอกอาการ5อาการก็พอดูได้ผมขนเล็บฟันหนังแต่พอมองทะลุเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็จะเห็นกระดูกเห็น เห็นลำไส้เห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นปอดเห็นหัวใจเห็นสมองเห็นอะไรต่างๆที่มันไม่สวยไม่งามท่านดูบ่อยๆนึกบ่อยๆจนกระทั่งมันจําได้ต่อไปเวลาเห็นร่างกายของใครถ้าเห็นภายนอกว่าสวยมากงามแต่พอนึกถึงภายในปั๊บความสวยงามภายนอกมันก็เลยหมดความหมายไปที่จะมาสร้างกามอารมณ์ทร้างกามราคะด้วยความอยากจะเสพ ร่วมหลับนอนกันมันก็จะไม่มีการอยู่คนเดียวก็จะไม่รู้สึกเศร้าซ้อยหเหงาเหงาเหตุที่คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้รู้สึกสร้อย้อยเศร้าซ้อยเหงาเหงาก็เพราะว่ามีความอยากมีคู่มีแฟนนั่นเองเพราะว่าเวลามีคู่มีแฟนแล้วจะรู้สึกมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ามันเป็ น, เ, ปนเหมือนยาเสพติดเสพแล้วก็ต้องติดถ้าแฟนคนนี้ตายไปหรือเป็นอะไรไปก็ต้องไปหาแฟนคนใหม่มา ถ้าร่างกายของเราตายไปก็ต้องไปหาร่างกายหน่อยมาเสดมันก็จะติดอยู่อาการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในการมาพบอยู่ไปเรื่อยๆการที่จะพิจารณาปัญญาได้จะเป็นที่ต้องมีสมามีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิก่อนได้สามารถอยู่นิ่งเฉยๆได้เวลาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่น่าดูน่าชมก็ไม่รู้สึกขยะขยะ ง, ยงหรือไม่รู้สึกวันไหวรู้สึกเฉยๆได้ เขาต้องดูบ่อยๆดูนานๆดูให้มันจดให้มันจำอยู่ในใจเพื่อต่อไปเวลาเห็นร่างกายของใครนี่จะเห็นหมดเลยเห็นทั้งอาการสาสสองเห็นทั้งสภาพที่จะเป็นซากศาพตามมาเห็นว่าเป็นแค่ดินน้ําลมไฟอตายไปเอาใบเผาก็ไปแยกธาตุเวลาตายนี่ก็ไปแยกธาตุกันการเผานี่ก็แยกธาตุน้ําออกจากธาตุธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแยกกันไปคนละทิศคนแะทาง ไม่มีตัวตนไม่มีจัดไม่มีบุคคลอยู่ในร่างกายตัวตนนี ires, an, like like Ethereum, ้เป็นความคิดจินตนาการของใจที่มาครอบครองร่างกายไปจินตนาการไปคิดว่าร่างตนเองเป็นร่างกายทั้งที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีร่างกายนี้ตนเองก็ไม่ได้ว่าเป็นร่างกายอันนี้ชาติก่อนก็มีร่างกายอีกการหนึ่งก็ไปก็ไปเคลว่าร่างกายนั้นเป็นเราเป็นของเราพอเสียร่างกายนั้นไปพอมาได้ร่างกายอันใหม่ก็มาเทนมานใหม่ จะเคลื่อนไปเรื่อยๆถ้าไม่ใช้ปัญญาแยกแยะอก <ừ. S 1> ารจะใช้ปัญญาแยกแยะอย่างอย่างชัดเจนได้นี้ต้องมีจิตที่สงบระดับอัปปนาสมาธิจิตไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงถ้ามีอารมณ์รักชังกลัวหลงเดี๋ยวอารมณ์นี้มันจะมาดึงให้ใจไปหาสิ่งที่มันรักถ้าเห็นสิ่งที่มันกลัวมันไม่ชอบมันก็จะไม่อยากจะมองไม่อยากจะเห็นเะฉั ừ. Ừ. ้นการจะเจริญปัญญาให้เกิด เป็นผลขึ้นมาได้นี้จะเป็นที่จะต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนก่อนต้องเป็นอัปปนาสมาธิเบื้องต้นอาจจะได้คณิกะสมาธิเพื่อเป็นเหมือนกับเป็นการเป็นเหมือนกับได้ชิมของดีเป็นพอเราได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็จะมีฉันทาวิรยิยะจิตตวิมังสามีความยินดีที่จะมาฝึกสตินั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้น เพื่อให้จิตได้สงบให้ได้นานขึ้นการฝึกสมาธินี้ต้องทาให้ชนานาญก่อนก่อนที่เราจะไปพิจารณาทางปัญญาได้อย่างอย่างมีผลเราก็พยายามฝึกสตินั่งสมาธิสลับกันไปเวลาไม่ได้นั่งสมาธิเอาจากเอาจากสมาธิมาเราก็เจริญสติต่อไปแล้วพอเรามีเวลาที่จะนั่งสมาธิอีกรอบหนึ่งเราก็เข้าไปนั่งสมาธิใหม่ พยายามเข้าไปในสมาธิบ่อยๆเข้าไปจนชำนาญเหมือนกับการขับรถยนต์ใหม่ๆแล้วขับรถเราก็จะไม่ค่อยคล่องแคล่วว่องไวเราก็ต้องขับไปเรื่อยๆหัดฝึกไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถขับรถได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวสามารถขึ้นรถได้ทุกเวลาที่เราต้องการสามารถขับไปได้ทุกแห่งทุกคนที่เราต้องการขัน้นใดการเข้าสมาธิก็เหมือนกัน เราต้องฝึกจกระทั่งเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกครั้งเวลาเราจะนั่งสมาธิปั๊บแล้วนั่งไปไม่นานมีสติอยู่ควบคุมความคิดให้นิ่งให้เฉยได้ห้านาทีสิบนาทีจิตก็เข้าสู่ความสงบได้แล้วสงบแล้วก็อยู่ได้เป็นสิบยี่สบสาสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปต้องฝึกสมาธิให้ชํานาญใ ห, ให้ให้มีความแน่นก่อนให้มีความสมาธิแน่นทํำใจให้ให้แน่นเหมือนก้อนเห็นก่อน ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆพอจิตไม่มีความหวั่นไหวกับอารมณ์ต่างๆพอเอาจากสมาธิมาก็มาคิดทางปัญญาคิดพิจารณาร่างกายเป็นเป้าหมายแรกหรือถ้าว่าเรายังติดกับอะไรอยู่ก็พิจารณาสิ่งนั้นไปก่อนถ้าเรายังติดกับคนนั้นคนนี้ยังรักยังห่วงอยู่ก็ต้องพิจารณาว่าเขาก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องตาย อย่าไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีการพัดพาคจากกันสอนใจไปเรื่อยๆต่อไปใจก็จะยอมรับความจริงเวลาเจอการสูญเสียเจอการพัดภาคก็จะไม่รู้สึกทุกข์ใจแต่อย่างใดเพราะใจมีอุเบกขาวางเฉยได้แล้วมีปัญญาสอนใจว่าอย่าไปฝืนความจริงฝืนความจริงเราจะทุกข์ถ้าอยากให้เขาไม่จากเราไปเวลาเขาจากเราไปเราจะทําให้ใจเราทุกข์ใจเราทุกข์เพราะความอยากของเราเอง ไม่ใช่เพราะการจากไปของเขา<ม>พอเรารู้ว่าเราหยุดความอยากได้ยอมรับความจริงว่าเขาต้องจากเราไปใจเราก็ไม่ทุกข์<ม>ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็รู้ว่าเขาไปเขาใครไปใครตาย<ม><ม>คนที่เรารู้จักนี้เขาไม่ได้ตายคนที่ตายนี้เป็นเพียงแต่ร่างกายที่เขาใช้เป็นเครื่องมือในการหามาหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองเป็นเหมือนรถยนต์คันหนึง่งส่วนคนที่ ไม่ได้ตายไปกับร่างกายก็เป็นเหมือนคนขับรถยนต์นี่พอรถยนต์พังคนรถยนต์เขาก็ทิ้งไปแล้วเขาก็ไปซื้อรถยนต์คันใหม่ต่อได้นี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันในเบื้องต้นก่อนเพื่อทำใจให้มีความสงบมีความสุขเพราะถ้าเราไม่มีความสุขแล้วเราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ได้ถ้าเราเองรักยังชอบสิ่งนั้นอยู่การจะปล่อยสิ่งนั้นไปโดยที่เราไม่รู้สึกเสียดายนี่ จะทำยากแต่ถ้าเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งนั้นไปแล้ว ว, ว่าไม่มีสิ่งนี้เราก็อยู่ได้ไม่มีคนนี้เราก็อยู่ได้มีความสุขมากกว่ า, าแต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขจากความสงบนี้เราจะปล่อยอะไรไม่ได้เลยเห็นอะไรก็เสียดายกลัวว่าเวลาไม่มีเขาแล้วเราจะเหงาเราจะซึมเศร้าขึ้นม า, าแต่ถ้าเรามีสมาธิแล้วจิตเราไม่มีวันซึ่มเศร้ารับประกันได้อยู่คนเดียวก็ไม่เหงาไม่ว้าเหว กับมีความสุขกชอบอยู่คนเดียวเสยมากกว่าเพราะอยู่กับใครแล้วเดี๋ยวมักก็จะมีเรื่องมีปัญหากันอยู่อยู่คนเดียวแล้วแสนจะสบายกว่านี่คือความสำคัญของการฝึกสติฝึกสมาธิอย่าไปอย่าไปคิดว่าสมาธินี่ไม่มีความสำคัญถ้าไม่มีความสำคัญพระพุทธเจ้าไม่เอามาสอนหรอกทำไมพระพุทธเจ้าสอนให้มีศีล ส, สมาธิปัญญาเพราะนี่คือเครื่องมือที่จะทาให้ใจเราดับความทุกข์ ต่างๆให้หมดไปจากใจได้ทําไมไม่สอนแค่ศีลกับปัญญาเอาเอาสมาธ ท, ทิ้งไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบที่สําคัญนะดัง <Yeah. S 1> นั้นเราต้องพยายามทําตามคําสอนเชื่อพระพุทธเจ้าอย่าไปเชื่อคนอื่นคนอื่นมีสติความรู้เข้าสู้พระพุทธเจ้าเราไม่ได้หรอกพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทําทานศีลภาวนาทําบุญทําทานรักษาศีล แล้วก็ภาวนาก็สติสมาธิปัญญานี่คือการภาวนาถ้าเราทําตามที่พุทธเจ้าสอนแล้วรับประกันได้ว่าเราจะได้ผลอันเลิศอันประเสริฐเกิได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสือ่อมในการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี่ก็คืออนิสงค์ของการฟังเทศฟังธรรมถ้าท่านฟังอย่างมีสติใจจดจ่ออยู่กับการฟัง ท่านก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับตัวเราเองว่าเรามาเกิดได้ยังไงเรามาเวียนว่ายตายเกิดทำไมแล้วเราวิธีที่เราจะทำให้เรายุดติการเวียนว่ายตายเกิดเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติพอเราปฏิบัติได้แล้วเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตาสาวกทั้งหลายได้รับอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของธรรมที่เอามาฝากท่านในวันนี้ จะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะท้าวาเรวะหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตุทินังเปตานังอุปกาปปติอิชิตังปฏิตังตุงหังคิดว่าเมวะสมิจฉะตุสัพเทปุเรนตุสังกปา จันทูปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโลกวินาสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโน จัตตารธรรมวาทันติอายุวันสุขังภาลางช่วงต่อไบปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่จะตอบพอหลังจากเลิกนี้แล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วย ถ้าท่านไม่อยากจะถามเองจะเขียนใส่กระดาษของข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรร ม, มานาคุดจากทางเฟซบุ๊กสามร้อยสี่สิบเก้าท่าน t u b e พระสุชาติไลฟ์สามร้อยสี่สิบแปด็อตอรวีสามสิบเกวิทยุออนไลน์สิบหนึ่งคลับฮาส์ห้านาคุดหนึ่งร้อยหกสิบรวมทั้งหมดเก้าร้อยสิบสองท่านค่ะ เดี๋ยววันนี้มีชาวต่างประเทศก็อยากจะถามคำถามหน่อย Would you like p l s e come over here Go over there i h e ินเข้าในระเบิ in the chair oh, <Yeah. S 1> Okay Okay, okay. No you don't have to be near me just Okay It's okay <S Okay just okay. t a close to the microphone. Okay. Can you hear me? Yes. Um, I wonder if you have advice for novice um, practitioners, uh, foreigners particularly. Yes. Everybody, if you want to meditate, you have to first develop mindfulness first. You have to be constantly mindful, not allowing your mind to think about this and that. Just keep it quiet by using a mantra. Bhuto, bhuto. Or keep watching your body movement. Every movement of your body, just keep watching it. Tie your mind to the body. If you can do this, when you meditate, you'll find it easy to sit and become calm r e a l quickly. But if you don't have mindfulness and you allow your mind to wander to think, when you sit, you'll be doing the same thing, and you will not be able to sit for long because you'll feel discomfort. So you have to try to practice as much mindfulness as possible before you you meditate. And the best way to develop mindfulness is to be alone in a retreat where you don't have to think or engage with people. And then you just try to control your thoughts, stop thinking. And when you sit, then you will be able to sit and get some result from your sitting. That's basically what you need to do first of all. Okay. Okay. Thank, thank you very much. Where are you from? Uh, Seattle. Seattle. Okay. America. You here you by yourself? All by myself. Yeah. Um, I'm part of the Clear Mountain um, uh -huh. Sangha. And are you going somewhere else after this? Wat Bunya Wat and Wat m a p Chan and, and um, Lampang to Lampang. visit another uh, monk. Okay. Good. I hope you learn and. Practice and be able to achieve some result from your trip here. Thank you very much. t h a n k y okay. o u e s t i o n from YouTube d o V. t o r ณปัจจุบันที่ลูกนั่งสมาธิค so> so so ือรวมไวกว่าแต่ก่อนจึงไม่รับรู้ถ so ึงเวทนาอยู่กับลมหายก็รู้มาก็รู้เส okay ียงดังใดๆภายนอกก็แค่รู้แต่ในการดํารงอยู่ของแต่ละวันคือจิตบางวันก็เบาบางวันก็หนักบางวันก็วุ่นวายบางวันก็ไม่วุ่นถือเป็นเรื่องปกติไหมเจ้าคะก็ชีวิตเรามันก็บางทีวันบางวันเรื่องก็มากบางวันเรื่องก็น้อย บางวันก็เรื่องหนักบางวันก็เรื่องเบามันก็มีผลกระทบต่อความสงบของจิตใจของเราอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สติของเราบางทีเราก็เผลอมากเผลอน้อยบางวันมีสติดีมันก็ควบคุมอารมณ์ได้ดีบางวันเผลอสติไปหลงกับเรื่องราวต่างๆก็ทำให้ควบคุมอารมณ์ได้ยากกว่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายหลักก็คือควรที่จ ะ, จะเจริญสติให้บ่อยให้มากอยู่เรื่อยๆและพยายามลด ภาวะของการที่เราต้องอเผชิญหน้ากับคนกับเหตุการณ์ต่างๆเพรเวลาเผชิญหน้ากับคนหรือเหตุการณ์เราก็ต้องมีอารมณ์เกิดขึ้นทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาได้งั้นถ้าเป็นไปได้ก็คนจะลดถ้าทํางานแล้วเราสามารถลดการทํางานให้น้อยลงได้ก็จะดี<ม>แต่การจะลดการทํางานได้ก็ต้องลดรายจ่ายลงเราก็ต้องใช้น้อย<ม>ถ้าเราใช้น้อยเราก็ไม่ต้องหามาก ถ้าเราปฏิบัติทำเราได้ผลแล้วใจเราจะไม่ค่อยหิวกับสิ่งต่างๆก็จะรู้สึกไม่ต้องไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้เงินมากอ<ม>ะกอย่างก็ต้องทําหลายๆหลายๆอย่างพร้อมกันไปพยายามลดรายจ่ายเราอย่าไปใช้ใช้สิ่งที่ไม่จําเป็นเอาเวลาที่จะไปใช้กับสิ่งที่ไม่จําเป็นมากักบการจเจริญสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นแล้วต่อไปการปฏิบัติของเราก็จะก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ กลาบผ้าจา์เจ้าค่ะลูกมีคาถามว่าเวลาที่เราเจริญสติในประจําวันนะคะมันมีหลายอย่างที่ให้เราเลือกทำแต่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราเลือกทาหลายๆอย่างหรือเราจาเป็นจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งในการทาคะอย่างไหนก็ได้ที่มันทาให้เราสามารถควบคุมอารมณ์เราได้ควบคุมความคิดเราได้ เรื่งองงานจะเปลี่ยนไปได้บางทีใช้พุดโธม้างบางใช้บางทีเราก็เฝ้าดูว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ไดอ้อ๋เราสามารถเปลี่ย น, ยนได้ใช่ไห ม, ไหมากหมารเจริญสตินี้เปลี่ยนได้แต่เวลานั่งสมาธินี้ควรจะอยู่กับเรื่องอารมณ์เดียวจะดีกว่ากาบขอบคุณพระจาันทร์ทำต่อจากท่านเดิมค่ะลูกดารงชีวิตอยู่ลําพังสําหรับลูก ลูกรู้สึกปกติในจิตใจแต่คนอื่นบอกว่าลูกทาตนไม่เหมือนคนไม่เหมือนทาตนไม่เหมือนเขาที่ต้องมีกลุ่มแต่ลูกเข้าใจในจิตลูกถือเป็นธรรมดาในธรรมแต่ผิดปกติทางโลกใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็ทางธรรมกับทางโลกมันก็คนละทางกันท้งธรรมก็นาไปสู่ความสงบ <c oughs> ทางทางโลกก็ต้องอยู่กับการร่วมกันมีสังคมกต่อกัน คำถามจากทางยู u ูปพระอาจารย์สุชาติค่ะการที่เรารู้สึกศรัทธาพระองค์นี้ไม่ศรัทธาพระองค์นั้นหรืออยากทำบุญกับพระองค์นี้มากกว่าพระองค์นั้นถามว่าเราบาปไหมคะที่คิดหรือรู้สึกอย่างนั้นและเราไม่มั่นคงในพระรัตนตรัยไหมคะเพราะเราไม่รู้สึกศรัทธาพระทุกรูปทุกองค์คือพระทุกรูปก็ไม่เหมือนกันพระบางรูปท่านก็ดีท่านก็มีความรู้สอนเรา พระบางรูปก็ไม่ค่อยดีความรู้ก็ไม่ค่อยมียสอนเราอันนี้ถ้าเราเลือกแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็นความผิดอย่างไรเพราะเราเข้าเข้าหาพระก็เพื่อที่จะหาความรู้จากท่านแล้วเราก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าท่านเป็นคนดีเพะฉั้นนี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าพระท่องรูปเป็นพระอาหารหันนี่ก็เข้าหารูปไหนก็ได้เหมือนกันเท่านั้นคําถามจากคุณเคทีค่ะ กราบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์จะพิจรารณาจิตจนกระทั่งบรรลุทำได้อย่างไรคะก็พิจารณาทุกอย่างว่าเป็นตายรักษ์<ม>พิจารณาว่าไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดแล้วมีดับถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอย่าไปอยากอย่าไปมีพอ<ม>เราตัดได้ปั๊บเราก็บรรลุทำได้<ม>คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ลูกเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจปฏิบัติขี้เกียจ เ, เพียรเคยคิดว่าแค่ใช้ปัญญาพิจารณาก็น่าจะเพียงพอที่จะทําให้หลุดพ้นได้แต่พอได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์ก็ทําให้เข้าใจว่าตัวเรานี้หลงผิดไปอย่างมากจะมานั่งนึกคิดเอาเองโดยไม่มีความเพียรในการปฏิบตัติคงเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้หลุดพ้นจึงขอกลับกําลังใจจากพระอาจารย์ในการปฏิบัติด้วยค่ะก็เนี่ยฟังธรรมบ่อยๆหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทําให้เราเกิดมีศรัทธามีฉันทาวิทยาตามมาคําถามจากทาง Facebook ค่ะตอนนี้โยมฝึกวิปัสสนาเคลื่อนจิตไปตามร่างกายพอออกจากสมาธิชอบปวดหัวข้างเดียวเป็นเพราะโยมเพ่งมากเกินไปหรือเคลื่อนจิตเร็วเกินไปทําให้ปวดหัวคะก็ต้องสังเกตดูเอาเองว่ามันเป็นเพราะเหตุใดต้องเปลี่ยนวิธีดู คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายและวิธีปฏิบัติในคําว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมค่ะก็ปฏิบัติตามกําลังของเราไงตอนนี้เราทําอะไรได้เราก็ทําไปตามกําลังของเราก่อนตอนนี้เรายังอยู่ในขั้นทําบุญทําทานเราก็ทําบุญทําทานไปรักษาศีลห้ายังไม่ได้ก็พยายามพยายามบังคับสอนให้พยายามเริ่มหัดรักษาศีลไป ค่อยๆทําไปเหมือนกับเรียนหนังสือจิตของเราแต่ละคนเหมือนกับอยู่ชั้นต่างๆกันบางคนก็อยู่ชั้นอนุบาลบางคนก็อยู่ชั้นประถมบางคนก็อยู่ชั้นมัธยมเราก็ต้องปฏิบัติทำของของระดับนั้นๆไปคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะอุปจารสมาธิเทียบเท่ากับฌานในระดับไหนคะส่วนอั ป, ปนาสมาธิคือฌานสีเท่านั้นใช่ไหมคะ แล้วเราจะแยกได้ว่าสมาธิแบบใดหรือฌานระดับไหนจากการพิจารณาอะไรบ้างคะใช้วิตกวิจารปิติสุขเอกคขาตารมในการแยกใช้หรือไม่คะก็ส่วนใหญ่เรามุ่งไปที่ฌานสี่คือให้จิตมีเอกขาตารม ม, มีอารมณ์เป็นหนึ่งมีอุเบกขา <c oughs> แล้วจากฌานสี่ขึ้นไปถึงฌานแปนี่ก็ก็จะมีอุเบกขาด้วยกันทุกขั้นไป โดยอุปจารสมาธินี้จะไม่มีอุเบกขาแต่จะไปรู้เรื่องราวต่างๆ <c oughs> คำถามจากทาง Facebook ค่ะการนั่งสมาธิกับการเปิดฟังเทศอันไหนจะดีกว่ากันครับก็แล้วแต่กำลังของเราว่าเราสามารถนั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องฟังเทศหรือเปล่าถ้านั่งได้ก็นั่งไปเลยนั่งสมาธิได้มันจะสงบได้มากกว่าการการฟังธรรม แต่ถ้าเบื้องต้นถ้ายังนั่งสมาธิไม่ได้ก็อาศัยการฟังธรรมกล่อมใจให้อยู่ในระดับที่สงบในระดับต้นๆก่อนแล้วพอเรามีความสงบระดับต้นๆเราก็สามารถนั่งสมาธิต่อไปได้คำถามจากทาง Facebook ค่ะเพราะเราต้องตายขณะมีชีวิตอยู่เราจึงไม่ควรหลงโลกหลงไปยินดีินร้ายปฏิบัติถูกต้องไหมคะใช่เราต้องรู้ว่าทุกอย่างมีวันสิ้นสุดลง โลกนี้ที่เรามาอยู่นี้เป็นที่อยู่ชั่วคราวของเราเท่านั้นเองเรายังต้องเดินทางต่อไปเป้าหมายของเราก็คือพระนิพพานถ้าเรายังไปไม่ถึงพระนิพพานเราก็ยังต้องเดินทางไปเรื่อยๆ น, นานๆเราจะมาเกิดในยุคที่มีคนรู้ทางไปสู่พระนิพพานคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นเราควรที่จะยึดคําสั่งคําสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และปฏิบัติตามเพื่อให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันเพื่อเราจะได้ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไป ตอนนี้ไม่มีคำถามใหม่ค่ะค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมขอเชิญถามได้นะตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเลิกแล้วถ้าเข้ามาถามแล้วจะไม่ได้ตอบเมื่อกี้มีโยมท่านหนึ่งอยากจะถามคำถามไม่ทราบหายไปไหนนะ้นุ่งขาวห่มขาวคงกลับไปแล้วมั้งข<ม>ออย่าถามคําถา ม, มบอกเมื่อกี้บอกบอกไม่ใช่เป็นเวลาที่จะถามเอามาแล้วท่านหนึ่งเชิญ สก อ, อ, อหนูขอสอบถามนิดนึงค่ะเกี่ยวกับการนั่งสมาธิก็คือตอนนี้ค่ะคือเวลานั่งสมาธิแล้วว่าจะเหมือนกับคือตัวมันจะลอยๆค่ะร่างกายมันจะเหมือนไล้น้ำหนักอย่างเงี้ยค่ะ ม, ม, มันเป็นกิดอะไรขึ้ น, นคะ คือบางทีจิตมันก็ผลิตความรู้สึกต่างๆขึ้นมาแต่สติยัง <ไป S 2> อยู่นะคะให้รู้เฉยๆไให้รู้เฉยๆอย่าไปสนใจมันให้กลับมาที่ลมหรือที่พุโทโธต่ออ๋อค่ะแล้วแล้วเวลาหนูปฏิบัติเนี่ยเนื่องจากหนูปฏิบัติเกือบทุกวันนะคะคือปฏิบัติทุกวันตั้งแต่ตีสี่ถึงประมาณเจ็ดโมงเช้าอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เวลาเราปฏิบัติสี่ท่าเนี่ยสติสี่ท่าเนี่ยพอปฏิบัติเสร็จเหมือนกับเหมือนกับเราเหมือน แวบไปแป๊บหนึ่งอะค่ะพอเหมือนเราหลับเหมือนกับเราเคลิมไปนิดนึงเข้าผวางไปนิดนึงบางทีมันเหมือนไปไหนก็ไม่รู้เป็นไปได้บางทีเช้ามืดมืดบางทีมันง่วงได้ตื่นขึ้นมาชักวั้งแล้มันก็อยากจะหลับต่อนะเออไม่มันเหมือนกับมันหายไปแวบนึงอะค่ะแต่ว่ามันได้ยินหมดทุกอย่างนะครับได้เป็นไปได้ไม่ไม่เป็นไรใครรู้ทันมันก็แล้วกันถ้าดึงสติกลับมากลับมาหาพุทโธกับมหาลมต่อเวลานั่งต้องมีอะไรยึดไว้ถ้าไม่ยึดไว้เดี๋ยวจิตมันก็เข้าภวังได้หมอค่ะได้คค่ะโอเค่ะ กลับเระาาคุณค่ะเดีย๋ยวมีท่านอยู่ข้างหลังเชิญเข้ามาอยากสอบถามอะคะอ่ะอยากจะเจริญสติอะคะ่ะอยากจะได้รับคำแนะนำจากท่านว่าจะเริ่มจากยังไงก่อนดีคะก็ตั้งแต่เช้าเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธวไปเลย ขึ้นเวทีเลยสู้กันมาเลย <c oughs> ใช้พุโทโธก็ได้หรือเฝ้าใช้ดูร่างกายไปก็ได้ว่าตอนนี้ร่างกายอยู่ในระยาบมดได้แล้วคอยเฝ้าดูไปทั้งวันทั้งคืน <c oughs> พุโทโธไปสลับกับการดูร่างกายก็ได้หมายถึงว่าสามารถทําได้ตั้งแต่ตื่นนอนถึงหลับเลอนอนอยู่อก็ได้อนอนก็ต้องมีสติจังการมันจะหลับพอหลับก็หมดสติไป พอตื่นขึ้นมาได้สติบ้างก็จเจริญสติต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อยเคยเข้าใจว่าจเจริญสติก็คือจะต้องนั่งสมาธิเดินจงบอันนั้นก็อีกท่านหนึงนั่นอีกกรณีหนึ่งเต้องมีสติก่อนที่จะไปนั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีสติไปนั่งสมาธิมันก็นั่งไม่ได้นานนั่งได้ห้านาทีสิบนาทีมันก็อยากจะลุกไปแต่ถ้ามีสติแล้วมันจะนั่งได้นานเพราะมันจะสงบแล้วมันจะมีความสุข ฉน้นต้องเจริญสติให้มากมก่อนที่จะมานั่งสมาธิอทํ<ะ>าได้ทั้งวันเลยจะทําได้ดีถ้าเราอยู่คนเดียวเพราะเราจะได้ไม่ต้องไปพูดไปคุยกับใครเพราะเวลาเราพูดคุยเราต้องใช้ความคิดเดีย๋ยวพูดพูดเสร็จแล้วเรายังอาจจะคิดต่อไปเสจอได้ทําไปฉนั้นถ้ามีโอกาสพยายามไปเปรกไปเวกอยู่คนเดียวแต่ขณะที่ยังไปไม่ได้ก็ต้องเจริญสติเท่าที่เราจะทําได้ไปก่อน ลูกขออีกสักคำถามนะเจ้าคะเวลาที่เรานั่งสมาธิอะค่ะเรามองลมหายใจเสร็จแล้วเรารู้ว่าจิตเราเนี่ยฟุ้งซ่านเราก็ตามมองว่ามันฟุ้งซ่านในขณะนั้นน่ะเราควรจะหยุดกลับมาที่ลมหายใจเลยหรือว่าตามอามองอย่าไปสนใจกับความฟุ้งซ่านให้อยู่กับลมไปเรื่อยๆถ้าอยู่กับลมว่าเดี๋ยวอาการฟุ้งซ่านก็จะหายไป ค, ค่ะ ข อ, อพระคุณพระจังเวลานั่งนี้ให้อยู่กับกรรมฐานอารมณ์ที่เราใช้เป็นเครื่องกํากับใจอย่าไปอย่างอื่นมีอะไรปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปสนใจสนใจอยู่กับนมไปถ้าเราใช้นมถ้าใช้พุโทโธก็สนใจอยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวหมดแล้วยังยังไม่มีคําถามใหมคะถ้าไม่มีก็เอาแค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้